เอาง่ายอย่าซีเรียกเรื่องชาล้นถ้วยเรื่องมีอยู่ว่าพระหนุ่มผู้คงแก่เรียน ต้องการรู้ธรรมะให้มากและรวดเร็วได้ไปหาเจ้าอาวาสซักถามปัญหาธรรมต่างๆซึ่งก็ได้ความรู้ไปมากมายและใช้เวลานา น, านพอสมควรแต่กลับไม่เคยนำไปใช้ปฏิบัติเลยแต่ก็เพียรพยายามมาถามเจ้าอาวาสจนเวลาล่วงเลยมานานเจ้าอาวาสจึงนำน้ำชามาเลี้ยง โดยรินน้ำชห้พระหนุ่มฉันแต่จงใจรินน้ำชาจนเต็มถ้วยแล้วก็รินลงไปอีกจนล้นออกนอกถ้วยไหลไปตามพื้นเรื่อยๆจนกระทั่งพระหนุ่มอดใจทนไม่ได้จึงบอกท่านเจ้าอาวาสว่าน้ำชาเต็มถ้วยแล้วพอแล้วถเทไปอีกก็ล้นไหลไปที่อื่น เจ้าอาวาสก็ยังรินต่อไปและพูดขึ้นว่าน้ำชาที่เต็มถ้วยแล้วก็ไม่สามารถรับน้ำชาได้อีกคงล้นไหลไปเละเทะอย่างนี้เปรียบได้กับการมาขอรับความรู้เมื่อเต็มแล้วก็ไม่สามารถที่จะรับไปได้อีกก็คงหกหรือจําไม่ได้เช่นกัน เราจึงไม่อยากจะยัดเยียดความรู้ให้ท่านมากนะักท่านควรจะนำความรู้ส่วนที่ได้รับไปปฏิบัติเสียก่อนจึงจะได้ประโยชน์